มนุษย์กับเทวดาความสัมพันธ์ใดที่ล้าสมัยควรเลิกเสียเม really uh ื่อทราบฐานะของเทวดาแล้วพึงทราบความสัมพันธ์ที่ควรและไม่ควรระหว่างเทวดากับมนุษย์ต่อไปในลัทธิศาสนาที่มีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเขาเชื่อว่ามีเทวดาใหญ่น้อยมากมาย และมีเทพสูงสุดเป็นผู้สร้างโลกและบรรดาลทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมนุษย์ไม่มีทางจะเจริญเลิศล้ำกว่าเทพนั้นได้มนุษย์จึงสร้างความสัมพันธ์กับเทพด้วยพิธีอ้อนวอนขอความช่วยเหลือด้วยพิธีการต่างๆเช่นสวดสรรเสริญยกย่องสะดุดีบวงสวงสังเวยบูชายันเป็นการปลนเพลิเอา อ, อกเอาใจหรือไม่ก็ใช้วิธีเรียกร้องความสนใจบีบบังคับให้เห็นใจ เชิงเราให้เกิดความร้อนใจจนเทพทนนิ่งอยู่ไม่ได้ต้องหันมาดูแลหาทางแก้ไขหรือสนองความต้องการให้ทั้งนี้โดยใช้วิธีข่มขีบีบคั้นลงโทษทรมานตนเองที่เรียกว่าประพฤติพรตและบำเพ็ญตบะบักต่างๆสรุปให้เห็นชัดถึงวิธีสัมพันธ์กับเท พ, พเจ้าเป็นสองอย่างคือวิธีที่หนึ่งวิธีอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ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 และวางวิธีปฏิบัติที่สมควรให้ใหม่ด้วย